ไม่ว่าค่าศีลธรรมาทางด้านใดเป็นหน้าที่ของทหารผู้ดีก้าวเข้าสู่สงครามแล้วจะต้องทําหน้าที่ให้เป็นกําลังความสามัคคีขาดลิ้นในจิตใจหากว่าชีวิตเหลือมาก็ให้มีชัยชนะทําให้เหลือก็มอบไว้กับความกล้าหาญคือตายด้วยความกล้าหาญทางชัยไม่ท้อถอยต่อประจมิตรที่จะมาจากตตุทิ มีเรื่องของทหารที่ทําหน้าที่ในแนวรบต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นผู้ขี้ขลาดว่ากลัวแล้วอย่างไรก็ต้องจมเป็นแน่นอนมีละปฏิบัติย่อมเป็นเช่นเดียวกับทหารที่ออกแนวรบแล้วเวลานี้ต่างท่านต่างสละมาจากบ้านจากครัวสมสละทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราสละทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของมีคุณค่ามากทั้งนั้น พ่อแม่ก็มีคุณค่ามากญาติปลงทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติที่มีมากมีน้อยทั้งทั้งที่ยังไม่มีก็เป็นสิ่งที่ต้องมีขึ้นโดยการสอบแสวงหามาเป็นสมบัติของตนนะเป็นของมีค่าเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปแต่เราฉละมาโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือหากว่าเรายังมีเป็นอยู่ในคารวาสโลกเขามีอย่างไรเราจะต้องมีอย่างนั้นลูกก็ต้องมีเพราะจะต้องมีเมีย มีเมียเราก็สละเพื่อให้โลกเขาเสียทานเสียโดยสิ้นเชิงลูกก็เป็นว่าทานไปด้วยสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเคยหวงแหนและโลกเคยหวงแหนมาประจําโลกนั้นเราสละเสียสิ้นไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจจึงได้มาถวายตัวเป็นศากยบุตรเรียบว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ผู้ประหารชานชัย ในทําหน้าที่แห่งการรบกิเลสตัณหาอาสวะโดยพระองค์เองไม่มีใครที่ช่วยหรือพระองค์แม้แต่นิดนึงนอกจากเขาจะให้ทานไปตามธรรมดาที่เรียกว่าเป็นเสบียงกลางพออาศัยยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อสงครามภายในได้แก่ระหว่างกิเลสกับจิตใจหรือกิเลสกับธรรมะพระพุทธเจ้าสามารถครอบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความกระหันฌานชัยเอาเป็นเอาตายจริงๆ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 นี่เป็นหลักสําคัญการรบของเรานั้นไม่ได้หมายถึงรบปัจจามิตรภายนอกใดๆแต่เป็นเรื่องที่จะรบกับเรื่องของตัวเองที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่ผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลาคือทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาเกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกลิ้นกายและร่วงไหลเข้าไปสู่ใจมีท่านเรียกว่าข้าศึกครับท่านผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรมีความ กะหาญชันชัยต่อการพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เสียเล่ห์เสียเหลี่ยมไม่เสียงที่แห่งยากงอนของสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในแสดงออกผู้นั้นแลจะเป็นผู้มีชัยชนะเราผู้เป็นนักปฏิบัติที่ได้ก้าวออกแล้วสู่สงครามจงควรมีความเป็นผู้มีความกล้าหาญอย่ามีความประมาทและเอียบททั้งสี่ดือนจงเป็นผู้มีความระมัดระวัง เดินนั่งนอนเลี้ยงแต่หลับเท่านั้นคือเป็นสิ่งที่สิทธิไสด้วยกันทั้งโลกนอกจากนั้นให้เป็นพุ่มมีสติระมัดระวังตั้งตัวไว้เสมอและมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเกิดเวลานี้เราเป็นพระเราอยู่ในถ้ํากลางแห่งข้าศิษย์ไม่ทราบจะมาด้านไหนมั่งฮึทั้งรูปก็จะผ่านเข้ามาเสียงกลิ่นรถเครื่องแฮมเปอร์สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านเข้ามา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 กับคนชนะนั้นอยู่ที่ไหนก็มีความอัปมงคลกาหารนี่เราอยู่ด้วยความแพ้นั่งยืนเดินนอนในอิริยาบถหรือความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่ด้วยความแพ้แล้วใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธพระก็ถูกปรากฏเป็นความอาหารให้โลกได้ถือเป็นคติตัวอย่างแต่เราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากลับมาเป็นพวกคนท้อแท้อ่อนแออย่างนี้ไม่สมควรเลยโปรดให้นำมาคิดให้สนิทปิดจิตติดใจของตนเรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องความเพียรนี้ เป็นเครื่องมือสําหรับลบความอับฐานด้วยความอดทนความอุตสาหะพยายามนี้เป็นกําลังเพื่อสนับสนุนของเราผู้เป็นทหารของพระพุทธเจ้าอย่าได้ลดลังเรื่องความเป็นอยู่ของเราเป็นอยู่กับญาติกับโยมไปที่ไหนไม่อดตายเราไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายหากว่าเราเป็นผู้บําเพ็ญตนเพื่อชาติศาสนาพมหากษัตริย์และธรรมนูญอยู่แล้วจะไม่มีใครทอดทิ้งเรา ตัวได้มอบชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องท้ายของพระไว้กับคณะวาจาญาติโยมแต่หน้าที่ของพระจริงๆคือการทําความพากความเพียรและมัธตํางตัวพลิกตัวให้ดีขึ้นทุกวันด้วยความเพียรโดยทางสติโดยทางปัญญานี่คือว่าเป็นผู้ทําหน้าที่อันถูกต้องและจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะเป็นลําดับลําดับไปการรวบฆ่าสึกภายในนี้เป็นสิ่งสําคัญเราไปต้องไม่ต้องไปมองดูที่อื่น ใครดูความเคลื่อนไหวของจิตที่เคลื่อนไหวออกแต่ละครั้งละครั้งนี้หาเรื่องอะไรบ้างมาก่อความรำคาญขึ้นมาก่อความเดือดร้อนให้แก่เราโดยมากจิตจะต้องผิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาไม่ได้ผิดธรรมะเรื่องธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะตั้งใจผิดขึ้นมาด้วยความลมัดระวังตั้งใจจิตๆแล้วปรากฏเป็นธรรมะขึ้นมาเช่นสติคอยระมัดระวังสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี่แสดงว่าตั้งขึ้นมา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 ให้นี้ให้ถูกต้องเท่านั้นเรื่องผลกันหนีไปไหนไม่พ้นเหตุกับผลต้องเป็นของคู่เคียงกันอยู่เสมอไม่ว่าแต่การไหนการใดมาเราไม่ต้องไปขาดไปหมายให้ระมัดระวังตั้งตัวให้ดีชีวิตติดตายเราไม่ต้องกลัวตายการนั่งภาวนานั่งให้เป็นการภาวนาจริงๆอย่านั่งเพียงสับแต่ว่านั่งอย่าเดินจมกลมสับแต่ว่าเดินไปไหนมาไหนให้มีสติสักทางระมัดระวังตัวเสมอ เราจะเห็นเรื่องของเราทุกระยะระยะที่แสดงออกจากใจและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสกับกายก็จะรับทราบกันว่าเป็นเรื่องอะไรคุณจะแก้ไขกันโดยวิธีได้บ้างถ้าผู้มีสติเป็นอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้มีชัยชนะในอียบททั้ง 4 ไม่ขาดวรรคขาดตอนและจะจับใครกรรมชัยชนะอย่างเอกไว้ได้ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเราจะอยู่ด้วยวิปีแค่คืออยู่ด้วยความเฉอเลออยู่ด้วยความนอนใจ อยู่ด้วยความอ่อนแออยู่ด้วยความท้อถอยกําลังอยู่ด้วยความขี้เกียจมากง่ายอยู่ด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องเหล่านี้จะเป็นทางที่แพ้ทั้งนั้นมีแต่แพ้ไปเป็นลําดับลําดับไม่เป็นประโยชน์อะไรโกรธพากันสนใจในตัวเองให้มีความเข้มแข็งนักบวชนี่แหละนอกจากจะเป็นหลักมั่นคงของตัวเองแล้ว นอกจากจะเป็นความล่มเย็นแก่ตนเองแล้วยังจะเป็นหลักมั่นคงของโลกยังจะทําประโยชน์ให้โลกไอ้ละความล่มเย็นเป็นจํานวนไม่น้อยและไม่มีข้อเคล็ดด้วยเพราะฉะนั้นศาสนธรรมก็ดีผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีโลกจึงต้องกราบไหว้บูชาเคารพนับถือเสมอตตุปัจจัยทยธานมีมากมีน้อยจะให้มาเท่าไหร่เขาไม่มีความเสียดาย ให้มาด้วยความเกลียดสละให้มาด้วยการบูชาธรรมให้มาด้วยความเชื่อความน้อมใจให้มาด้วยความเคารพไม่มีความหวงใยเสียดายในวัตถุสิ่งของที่เขาให้ทานมาแล้วไปอยู่ที่ไหนถ้าเป็นนักปฏิบัติโดยธรรมะจริงๆแล้วจะไม่อดอยากแม้จะเกิดความโหยอยากบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเราก็ให้ถือเชื่อว่า เรื่องขัตติธรรมนาย่อมเป็นเช่นนี้อนิจจังเป็นของไม่สม่ำเสมอเสมอตลอดมาแต่กาลไหนกันไหนจะต้องมีความสม่ำเสมอในอาหารที่อยู่ปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องอาศัยย่อมเป็นไปมานาดต้องมีการขึ้นขึ้นลงๆเป็นธรรมดาแต่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องความเพียรของเรานั้นอย่าให้ขาดวรรคขาดตอนอย่าให้ด้อยลงได้ให้มีความขมักขะม้นเข้มแข็งดึกปืนตัวเองนี่แหละ คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างบกพร่องแต่เราไม่บกพร่องจุดที่เราประสงค์ให้บกพร่องนี่เป็นอันมากไม่เสียทีไม่แพ้ดูที่ไหนก็มีชัยชนะไปด้วยกันการพิจารณาธรรมะอย่าพ้านโน้นคว้านนี้ให้เราจะตั้งหลักอันใดลงไปจะกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ให้ทําความเข้าใจกับลมของตัวจริงๆลมจะเข้าออกยาวหรือสั้น ขอให้ทําการรับทราบอยู่เสมอในระยะลมที่ออกหรือเข้านี่ถือว่าเป็นผู้มีสติลมละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ให้ทราบตามความละเอียดของลมอย่าถอยความรู้ออกมาและส่งไปสู่ที่อื่นจะไม่ทราบระยะของลมขั้นยาวและจะไม่ทราบธรรมะขาดบรรคตอนแห่งความเปลี่ยนของตนในเวลานั้นเราเผลอไปขณะใดชื่อว่าความเพียรของเราได้ขาดไปนี่แหละความเพียรหมายความอย่างนี้ทั้งหา เดินจงกรมเดินทั้งมันก็ตามถ้าไม่มีสติก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับเขาเดินกันทั่วทั่วโลกนั่งก็เช่นเดียวกันทุกๆอิริยาบถถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความจงใจอยู่กับความรู้สึกตัวว่าทํางานอะไรอยู่เวลานี้ไม่จัดว่าเป็นความเพียรโกรธทําความเข้าใจไว้อย่างนี้ในการกําหนดตนที่ได้อธิบายมานี้อธิบายกันดอยๆจนกระทั่งล่มละเอียดสุดรู้จะปรากฏในความรู้สึกว่า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 ความมั่นคงนั่นแลเป็นสิ่งที่จะทรงคุณภาพอันแปลกปราลาดและสิจันให้เราเห็นในเวลาที่จิตมีความสงบรู้ตั้งตัวได้โดยลําทําตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นใดมาเครือแปลงมีความสุขขึ้นโดยความสงบของใจเองนี่น่ะคือว่าเป็นตัวของตัวแท้ในขั้นหนึ่งแต่มันได้หมายถึงขั้นสุดยอดหมายถึงขั้นต้นอย่างนี้เสียก่อนอย่างไรก็กอบให้ทําได้อย่างนี้ผู้หรือจะตามด้วยพุทโธก็ตาม เราจะตามด้วยพุทโธพุทโทพุทโธทั้งระยะเข้าและออกหรือจะตามแบบพุทเข้าโทออกก็ได้ขอให้เป็นความถนัดใจเท่านั้นน่ะเป็นที่ถูกในหลักความเพียรสําหรับนิสัยของแก่หลายๆหลายเราไม่ต้องไปคว้านู่นคว้านี้ได้ยินท่านว่าท่านภาวนาอย่างนั้นได้ผลผู้นั้นภาวนาอย่างนั้นได้ผลเราก็คว้านู่นต่อนี้ดังนั้นเรียกว่าเป็นคนหลักลอยทําอะไรจับจดจะไม่ทราบนิสัยของตนบาป จะควรปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรอย่างนี้ทําความเพียรไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นผลหลักสําคัญคือให้เป็นคนจริงจะทําทําเพียรด้วยทําบทใดหรือพิจารณาบริกรรมด้วยทําบทใดหรือจะพิจารณาธรรมในแง่ในอาการในขอจงทําให้จริงจนเห็นผลขึ้นมาพร้อมกับให้ทราบทัศน์ว่าเจตจิตของเราถูกกับสิ่งนี้หรือทําบทนี้มีลมหายใจเป็นต้น นี่ล่ะชื่อว่าคนดูเหตุให้เห็นชัดเจนทั้งหลักนิสัยของตนแล้วดําเนินต่อไปทําด้วยความจริงใจในเบื้องต้นต้องมีหลักฐานเช่นนี้ผู้กําหนดพุทโธโดยลําพังก็เอ้าเดินไปไหนอย่าให้เผลอคําว่าพุทโธพุทโธในเมื่อได้นํามากํากับใจไม่ให้ขาดพักขาดตอนในความรู้สึกระหว่างติดกับพุทโธให้ติดต่อกันเป็น สายไปอยู่แล้วคําว่าพุทโธกับความรู้นั้นจะค่อยกรมปืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าเป็นลําดับลําดับจนกลายเป็นอันมากคําว่าพุทโธกับความรู้นั้นเป็นอันเดียวกันมีเราจะบริกรรมหรือไม่ไม่เป็นปัญหาในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆถึงเราจะนึกว่าพุทโธก็คือความรู้นั่นแหละเป็นพุทโธนี่ถ้าจะเทียบอุปมาก็คําว่าพุทโธนี่เปรียบเหมือนเราตามรอยเท้าของโคเพื่อจะจับ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 ที่ออกจากถ้ําของโคตัวที่เราจับได้นี่แหละมีคําว่าพุทโธก็เป็นร่องรอยที่จะตามรูปคําว่าพุทธะซึ่งเป็นเหมือนกับโคนั้นหากเราไม่ปล่อยตามพุทโธเข้าไปทุกระยะระยะคําว่าพุทโธกับจิตก็จะตรงกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะหมดปัญหาในคําว่าพุทโธในเวลาเช่นนั้นมีจิตตั้งได้มีความสงบเยือกเย็น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 จิตที่มาคาบมาหมายมาเหยียบมาย่ำมาอุปทานจิตมั่นถือมั่นไว้ถือมั่นไว้ทั้งนั้นเมื่อเวลาเราแยกเนี่ยขยายออกให้เห็นตามส่วนแห่งอาการนั้นๆให้เห็นตามส่วนแห่งธาตุแห่งขันธ์แล้วจิตของเราก็หายสงสัยแล้วย้อนตัวเข้าไปย้อนตัวเข้าไปจนถึงธรรมชาติของตัวที่แท้จริงคืออย่างเข้าสู่ความสงบเราพิจารณาดูอาการใดก็เมื่อเห็นชัดแล้วจะไปสงสัยอันไหนเรา<น> มันก็ต้องเข้าไปหาจิตจิตเป็นผู้มาก่อความรำคาญจิตเป็นผู้มาก่อความรักความชังจิตเป็นผู้มาก่อความหลงความหวงกับสิ่งเหล่านี้ต่างๆไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นความรักความชังในตัวเองไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นความหวงในตัวเองไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นผู้มีความหมายในตัวเองแต่เป็นเรื่องของจิตไปให้ความหมายว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชัง แล้วก็ยึดมั่นตามเรื่องแห่งความหมายที่ตนไปทํากุญหมายป้าทางเอาไว้นี่เป็นการผูกมัดตนแต่การพิจารณานี้เพื่อจะแก้ไขจุดที่ตนผูกมัดนั้นแหละท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นชัดในสิ่งใดแล้วจิตย่อมปล่อยไปเป็นระยะระยะระยะหากว่ารู้รอบภพหมดในส่วนแห่งร่างกายนี้จิตก็ปล่อยได้โดยโดยเด็ดขาดเรียกว่าหมดอุปาทานของกายนี่ก็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 อย่าทำเล่นๆทำอะไรให้ทำจริงการพิจารณากายนี้จะพิจารณากายนอกกายในไม่สำคัญเพราะสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกมีได้ทั้งภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นมรรคคือทางดำเนินเพื่อการแก้ไขปลดเครื่องสิ่งที่ตนไปเที่ยวผูกมัดก็ย่อมมีได้ทั้งภายนอกภายในภายในเช่นนารักษรูปความรักรูปนั้นเป็นสมุทัย หมายรูปนอกเป็นสําคัญรูปนั้นน่ารักรูปนั้นน่ากําหนัดยินดีแล้วนํารูปนั้นมาพิจารณาคลี่คลายโดยเห็นชัดตามหลักความจริงของรูปนั้นว่ามีที่สําคัญตรงไหนมั่งพอที่ให้เกิดความรักความกําหนัดยินดีเมื่อแยกออกทุกอาการแล้วก็เห็นเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุหรือเห็นแต่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไปเสียทินหาจุดที่น่ารักน่ากําหนัดให้มีเลยจิตก็ถอนความกังวลความรักเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเอง เห็นทอดท้องตัวเองว่าเป็นทอดตัวเองไปทําความสําคัญหมายในสิ่งนั้นต่างๆจึงเกิดความรักความกําหนัดยินดีขึ้นมานี่เราก็ได้เห็นโทษของเราด้วยเราก็ได้เห็นโทษในสิ่งที่เราไปสําคัญมั่นหมายว่าน่ารักน่ากําหนัดยินดีนั้นด้วยนี่เป็นอานิสงส์ถดถอนมาได้เป็นระยะระยะดังนั้นเรื่องของปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดมากปัญญาในขั้นของธาตุขันธ์ยังไม่นอกจากนั้น ปัญญาในขั้นของธาตุคือรูปธรรมนี้เป็นประเภทหนึ่งปัญญาในขั้นของนามธรรมเป็นอีกขั้นหนึ่งหากว่าจิตของเราตั้งตัวได้ด้วยความสงบเพราะอํานาจของความเพียรพยายามโดยวิธีภาวนาดังที่กล่าวมาในบางต้นนั้นมีหลักฐานเป็นที่พอจะพิจารณาหรือตั้งต้นได้แล้วโปรดพิจารณาเรื่องปัญญาจะเป็นเรื่องนอกก็ตาม ก็เป็นเรื่องในก็ตามให้แยกส่วนแบ่งส่วนดูดังที่กล่าวนี้จิตกายให้ทํางานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งวันยิ่งเป็นการดีเมื่อมีความเหนื่อยภายในจิตใจกําหนดจิตให้เข้าพักในความสงบเป็นสมาธิยอกเย็นขึ้นมาพอถอยจากความสงบแล้วออกทําหน้าที่การงานของตัวเองเคยพิจารณาอะไรที่จะมาชักเอาคลายดูให้ชัดถืออันนั้นแหละ การงานของตนพิจารณาจนรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วจิตใจนั้นจะปล่อยตัวเองปล่อยงานประเภทนั้นโดยเราไม่ต้องไปบังคับเพราะรู้รอบครบแล้วจะถือมั่นไว้ทําไมนี่เป็นเรื่องของจิตจะปล่อยตัวเองนี่ขั้นของธาตุนี่อธิบายอย่างสรุปๆขั้นของขันธ์นี่เป็นอีกประเภทหนึ่งขันธ์ในขันธ์ 4 คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นส่วนละเอียดมากละเอียดยิ่งกว่าขันธ์ แต่ถึงจะละเอียดแค่ไหนก็ตามจะพ้นวิสัยของปัญญาไปไม่ได้ขันทั้งเอ่อธาตุทั้งธาตุหรือว่ารูปทั้งกองนี้ในส่วนร่างกายของเราปัญญายังสามารถฉาะแชกหรือแทงทะลุถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายได้เหตุใดจะไม่สามารถรู้เท่าธรรมในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้กรรมเวทนาเวทนาทางกายประเภทหนึ่งเวทนาทางใจประเภทหนึ่ง เวทนาทางใจนี้เป็นส่วนละเอียดมากเดิมมากพระจิตได้รับความสงบเยือกเย็นมาเป็นลําดับลําดับแล้วจะมีแต่สุขเวทนาปรากฏขึ้นภายในใจสุขเวทนานี้ก็ต้องได้พิจารณาถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาจะปล่อยทิ้งมั้ยหรือนอนใจกับสุขเวทนานั้นไม่ได้เช่นผู้ติดสมาธิโดยมากติดสุขเวทนาเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็แน่วแน่อยู่นั้นเป็นอันดี ไม่อยากจะออกมาคิดมาอ่านแต่ต้องอะไรให้หนักอกหนักใจให้เกิดความลําบากรําคาญเราอยู่อย่างนี้สบายดีทั้งวันก็สบายออกมากระทบกระเทือนถูกเสียงกลิ่นรถเป็นต้นก็รู้สึกมันเกิดไม่ค่อยสบายรําคาญในจิตในใจแล้วย้อนเข้าไปสมาธินั่งสบายดีนี่คือจิตติดสุขเมตตาในสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ ควรจะถอยออกมาพิจารณาเพราะการถอดถอนกิเลสนี้ไม่ใช่ถอนด้วยสมาธินะสมาธิเป็นแต่เพียงปล้นทุนให้ใจได้รับความสงบเป็นชั้นหนึ่งต่างหากแต่การจะถอดถอนกิเลสนั้นทุกประเภทจะต้องถอดถอนด้วยปัญญาไม่ว่าส่วนหยาบไม่ว่ากลางกลางส่วนละเอียดจะต้องถอดถอนด้วยปัญญาธรรมะทั้งนั้นถ้าเพียงแต่สมาธิ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 เพราะฉะนั้นสุขทุกข์จึงเป็นของที่เกิดและดับได้ไม่เป็นของติรังค์ถาวรและไม่เป็นสิ่งที่จะคงที่สัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้มีลักษณะที่ปรากฏกระเพื่มขึ้นมาแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันทั้งเกิดและดับนี้เป็นตามธรรมชาติของขันธ์หากว่าจิตจะหลงก็หลงได้ถ้าจิตใช้พิจารณาก็รู้ถามที่เกิดที่ดับให้ชัด ของเขาได้อย่างชัดเจนไม่ยึดมั่นถือมั่นในกองแห่งรูปในกองแห่งเมตนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆทั้งสัญญาความจําหมายถึงไหนไว้ทั้งสังขารความปรุงว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ทั้งวิญญาณที่รับภาคเป็นแต่เพียงปรากฏขึ้นแล้วดับไปดับไปดับไปนี่คือปัญญาขั้นละเอียดที่จะสามารถให้เห็นต้นเหตุเรื่องเห็นรากฐานของอาการทั้ง 4 ทั้ง 5 นี้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 ไม่ว่าเวทนาประเภทใดไม่ว่าไม่ว่าสัญญาจะหมายเอาเรื่องอะไรไม่ว่าสังขารจะปรุงเรื่องอะไรจะเห็นความเกิดของสิ่งเหล่านี้มาจากจิตอันและเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากจากจิตเพราะงั้นเรายังจะได้เห็นตัวจิตที่มีธรรมชาติอันหนึ่งห่มคลุมไว้อย่างมิดชิดธรรมชาตินั้นเป็นผู้ทําหน้าที่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 เนื่องจากเข้าใจว่าธรรมชาตินี้แลเป็นตนตนคือธรรมชาติอันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายฆาตได้หมดแล้วแต่ธรรมชาตินี้ฆ่ากันไม่ออกเนื่องจากเราเห็นธรรมชาตินี้ว่าเป็นเราในขณะเดียวกันเราก็คือธรรมชาติอันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมชาตินี้จะต้องแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาและแสดงอย่างอาฆาตด้วยคือจิตจิป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 ความอองอาจทหารก็คือธรรมชาตินี้ความสุขความสบายก็คือธรรมชาตินี้เพราะเหตุใดเพราะธรรมชาตินี้ยังเป็นตัวสมมุติอยู่สิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นถ้าเราได้ทราบหรือได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์ที่ชี้ช่องบอกทั้งมาแล้วอย่างนี้ เรเรามีทางที่จะพิจารณาจุดที่ว่านี้ได้โดยไม่มีความสะตกสะทานโดยไม่มีความหึงหวงในธรรมชาตินี้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนมันน่ากลัวจะติดถูกเป็นเมดานานๆหรือติดกันไปเลยถอนกันไม่ออกเนื่องจากมีความรักมีความสงวนมีความชอบมีความพอใจอย่างเป็นที่แล้วก็ยกธรรมชาติอันนี้ขึ้นว่าเป็นตนกดที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 ดุจแห่งความสุขที่อาศัยอยู่นี้จะต้องสลายตัวลงไปด้วยอํานาจของปัญญาที่ละเอียดได้ทําลายลงไปในจิตในจุดของจิตนั้นอันนี้จึงมีทางที่จะสลายตัวไปได้เมื่อธรรมชาติอันนี้สลายตัวลงไปด้วยอํานาจของปัญญาแล้วนั้นคําว่าเราก็ดีสิ่งที่เราเคยสงวนก็ดี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 แต่ที่ห้องนี้ยังไม่ว่างเต็มที่ก็เนื่องจากเรามาอยู่ในห้องนี้คนหนึ่งถ้าเราถอนตัวของเราออกไปเสียจากห้องนี้แล้วห้องนี้จะว่างอย่างเต็มที่ข้อนี้มีอุปมาฉันท์หนัก ทุกThing ทุกอย่างว่างปล่อยว่างกันได้หมดแต่ยังเหลือกรรมว่าเราซึ่งเป็นตัวอวิชชาอันแท้จริงล้วนล้วนนั่นน่ะอวิชชาล้วนล้วนคือเราตัวนั้นน่ะที่ขวางตัวเองอยู่ในเวลานั้นไม่ทราบว่าอวิชชานั้นคืออะไร เราจึงเห็นสิ่งทั้งหลายว่าว่างหรือเราว่าเราวางสิ่งทั้งหลายได้หมดไม่มีจริงเหลือแต่ธรรมชาติอันนั้นทําการกีดขวางตัวของเราอยู่เราเลยไม่ว่างพอปัญญาได้หยั่งเข้าไปสู่จุดนี้เนี่ยธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไปนั้นแหละภายนอกก็ว่า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 ไม่มีสมมุติอันใดที่เกี่ยวผลความสงวนก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความองอาจทหารก็ไม่มีความที่จะขยาดหวาดกลัวเพื่ออะไรอีกก็ไม่มีเพราะสิ่งทั้งนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นเพราะอวิชชาซึ่งเป็นรากใจอันพาให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมานั้นได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติต้นล้วนนี่จุดแห่งการปฏิบัติธรรมะ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 ท่านทุกท่านโปรดได้ทําความพยายามพิทพระของเราสร้างพระของเราให้สมบูรณ์เรื่องภายนอกจะท่าตกบกพร่องไปบ้างเอียงเอนไปบ้างสมบูรณ์บ้างบกพร่องบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอิ่มบ้างหิวบ้างอย่าไปทําความสําคัญให้มากปัดจะเสียหลักใจคือคําว่าพระของเราคําว่าพระนี่หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ Empty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 สร้างแล้วมาได้แล้วมีคุณค่าเหลือประมาณไม่มีอันใดจะสามารถมาเป็นค่าทดแทนหรือมาเป็นมูลค่าได้เพราะว่าไม่มีประมาณเลยทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาหมดเท่าไหร่ก็ก็ปริมาณได้ถูกต้องหรือเขาบอกได้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นสร้างหมดเท่านั้นบาทเท่านั้นแสนเท่านั้นหมื่นเท่านั้นล้านนี่บอกกันได้ แต่คําสร้างจิตนี้หมดไปเท่าไหร่ไม่ว่าแล้วทีนี้เมื่อเราสร้างไปแล้วจะเป็นราคาเท่าไหร่ไม่มีถ้าขายกันในตลาดจึงว่าเป็นของที่ยากท่านทุกๆท่านโปรดทําความสนใจสร้างพระของตนอย่าไปเห็นแก่สิ่งภายนอกเจริญแค่ไหนก็จะเจริญเถอะในโลกนี้มันไม่อดไม่อยากใครก็สร้างอยู่ที่ไหนก็สร้างอยู่ทมไปเพราะคนมีชีวิตจิตใจถ้าไม่มีบ้านมีเรือนมีกุฏิศาลาอยู่จะอยู่ที่ไหน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 ผิดกับหลักของผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นพระของเรามากมายอันนั้นมอบให้คนอื่นมอบพยากรให้โยมให้ศรัทธาแต่เรื่องผิดพระให้เป็นเรื่องช่างเราเป็นช่างเองได้รับโอวาทจากครูบาอาจารย์มาเป็นเครื่องมือแล้วเอ้าทําหน้าที่ลงไปจะให้คนอื่นทําแทนไม่ได้การสร้างพระต้องต่างองค์ต่างสร้างสร้างต่างคนต่างสร้างตัวเองเป็นแต่ได้รับอุบายจากครูจากอาจารย์ ร่วมหมู่เพื่อนมาเท่านั้นการที่จะทําลงไปนั้นเป็นเรื่องของเราอ้าวเดินจงกรมก็ให้มีสตินั่งที่ไหนให้มีสติไปไหนมาไหนอย่าลืมคํามรรคพระของตนมันจะบกท่องไปที่ไหนบ้างให้พยายามแก้ไขดัดแดนจนเป็นพระที่สมบูรณ์นั่งสมาธิก็เย็นเดินไปไหนก็เย็นพิจารณาเรื่องปัญญาก็ปลอดโปร่งโล่งโผงเห็นอัตเห็นธรรมเห็นความดีความชั่วชัดเจนมีทาง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 เรื่องภายนอกก็ไม่มาเกี่ยวข้องให้เป็นกังวลกับภายในใจเรื่องใจก็ไม่เฝาะพลันหาไม่พุ่งเพ้อเหิมกับสิ่งภายนอกเพื่อก่อไฟเผาตูต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงพระก็จริงสําหรับพระของเรานั่นไปที่ไหนสบายเมื่อใจถึงความเป็นพระอันสมบูรณ์แล้วอยู่ที่ไหนก็พอตัวไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่เรียกว่าความพอตัวอดก็พอตัวอินทร์ก็พอตัวอยู่ที่ไหนก็พอตัวสมอาอยู่หมดทุกแห่งทุกหนน่ะ ไม่เพื่อสถานที่การบุคคลมีความพอตัวอยู่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่ครบสิ่งที่จะต้องมาเคลือบแข็งนี่ท่านเรียกว่าพระสมบูรณ์แบบแล้วด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเนื่องจากความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่แหละที่ได้อธิบายว่าการลบค่าสึกภายในหมายถึงกิเลสซึ่งเป็นตัวของเราเสียเองเป็นกิเลสและ ผู้รับก็คือตัวของเราเสียเองจะเป็นผู้แก้ตัวเองในความผิดของตนที่มีอยู่เนี่ยไหนมุมใดพยายามแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองชื่อว่าเป็นการลบกับความผิดของตัวเองเมื่อรวมแล้วเรียกว่าลบกับกิเลสเมื่อลบให้ถึงจุดหมายปลายทางสิ่งที่เป็นข้าศึกได้สลายยอมแพ้อย่างหนับหับแล้วเราก็เป็นผู้มีความองอาจกล้าหาญจะเห็นรูปก็เห็นอย่างเต็มหูเต็มตาฟังได้อย่างเต็มหู เห็นได้อย่างเต็มตาเสียงตินดรถเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสรับทราบได้อย่างเต็มปิดเต็มใจแต่ไม่ติดไม่พันไม่เป็นขังหมดไม่มีท่ามิจฉามาจะต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันด้วยมีท่ามิจฉาไม่ต้องพึ่งเพอเหิมไปตาไปตามสิ่งข้างหลังนั้นเพราะยถาภูตัญญะภิกขังเป็นสิ่งที่ได้เห็นแจ้งชัดปลายตัวแล้วภายในจิตใจนั่นท่านเรียกว่าสุขะโตอยู่ก็สุขะโตคืออยู่ก็อยู่ดี ไปก็ไปดีคิดก็คิดดีอะไรมาสัมผัสกายเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เป็นโทษจากตัวเองนี่ถ้าเรียกว่าสุขะโตอยู่ก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีรับและตื่นก็ดีอะไรดีไปหมดถ้าจิตดีเพียงตรงเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรจะเป็นค่าศึกในโลกนี้ที่เป็นค่าศึกที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนก็เนื่องจากใจดวงเดียวนี่แหละเฝ้าหาเรื่องก่อเรื่อง ให้ตัวเองเสมอเกิดเรื่องกับตัวเองหาที่ตนที่เปลื้องหาทํานายความมาแก้ช่วยไม่ได้หาผู้ตัดสินหาผู้พิพากษาไม่ได้นอกจากเราจะเป็นผู้พิพากษานอกจากเราจะเป็นผู้พินิจพิจารณาผู้ความในระหว่างแห่งดีกับชั่วบทเพิ่มกันลงได้แล้วเราก็ตัดสินตวงเราเองได้ที่เรียกว่าสันธิทธิโกเห็นเองไม่ต้องให้ผู้อื่นผู้ใดมาเห็นได้มาทํานายทายทักเรา เพราะคําว่าสันธิธิโกนี้พระพุทธเจ้ามอบไว้กับพุทธบริษัททุกๆรูปทุกๆนามผู้ใดมีข้อปฏิบัติสมควรที่จะรู้ตามสันธิธิกะธรรมก็ย่อมมีสิทธิที่จะรู้ได้ไม่เลือกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์สามารถจะรู้ได้โดยกันฉะนั้นเอวสานแห่งธรรมที่แสดงวันนี้ขอให้ท่านนับปฏิบัติทั้งหลายจงนำไปพิจารณาแล้วพยายามฝึกพระของตน ให้มีความศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมาภายในตนของตนเองแม้จะไม่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษไปทางไหนก็ตามก็ขอให้ศักดิ์สิทธิ์พิเศษภายในตัวระวังจริงที่มาเกี่ยวข้องกับใจอย่าให้อาพับกันเท่านั้นนี่ชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์พิเศษจึงขอยึดติดธรรมเทศนาเพียงธรรม